ระยะางหลังนี้รู้สึกแผ่นซีดีคนไม่ค่อยหยิบไปเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นที่ติดมากับรถยนต์นี้ส่วนใหญ่จะมีทําม์ไดรฟ์หรือไม่มีที่เล่นแผ่นซีดีก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีก็เลยเอาแผ่นเอาเอาทเอาธรรมะใส่เข้าไปในตัวแฟลชไดรฟ์ที่ตัว l ฟลชไดรฟ์ที่มันเล็ก แล้มันหยิบง่ายคนอาจจะหยิบไปทีหลายๆอันเพราะอยากจะเอาไปฝากเพื่อนอก็อยากจะให้คิดถึงคนที่อยู่ที่นี่ก่อนคนอยากจะแจกให้กับคนที่มาก่อนองนั้นถ้าเป็นไปได้เอาไปบ้านลาหนึ่งอันก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันก๊อปปี้ง่ายถ้าอยากจะ ก็ปีก็ไปซื้อแฟลที่มันว่างแล้วก็ไปกอปีกันเอาถ้าเอาไปคนละทีละสองสามวันมันจะไม่พอแจกกันอันนี้ก็ขอความการุณาสำหรับเรื่องแฟลชไดรฟ์นี่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปคนละแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอยากจะไปฝาก เพื่อนที่นั้นก็อาจจะเอาไปมากกว่าอย่างงานก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้หวงกลัวจะไปกระจุกอยู่ที่เดียวอยากจะให้มันกระจายไปไกลๆกว้างๆให้คนได้ได้ยินได้ฟังได้เห็นกันรอะนี้ได้ใส่ไปทั้งภาพและเสียง ถ้าเครื่องที่เล่นภาพได้ก็จะมีภาพให้ดูได้ถ้าไม่มีภาพก็มีเสียงเป็นไฟล์เอ็มพีสามแต่ก็ไม่เป็นไรละ่ะถ้าต้องการจริงๆก็ออกไปเพราะเดี๋ยวก็มีคนศรัทธาที่จะมาทำเพิ่มให้อยู่ดีเพราะคนที่อยากจะทำบุญเผยแผ่ธรรมะ ก, ก็มีค่อนข้างมาก เ, เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงทําไมธรรมะถึงชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าให้อะไรในโลกนี้ก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกับให้ธรรมะเหมือนกับให้อะไรในโลกนี้ก็ไม่มีคุณค่ากับเท่ากับให้เพชรถ้า ให้เพชรนี่เพชรเป็นของที่มีราคามากกว่าพลอยมากกว่าดินจินดามากกว่าเงินมากกว่าทองเห็นเพชรนี่เปรียบเหมือนธรรมะธรรมะนี้มีคุณค่ามากกว่าเพชรมากกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าธรรมะนี้ทาในสิ่งที่ สิ่งต่างๆในโลกนี้ทาไม่ได้ก็คือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้พวกเรานี้ถ้าอยากจะดับความทุกข์นี้ต้องดับด้วยธรรมะถ้าไม่มีธรรมะดับไม่ได้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้มีตาแหน่งใหญ่โตเป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นปัะธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสสเป็นอะไรก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ได้รางวัลชนิดไหนก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้รางวัลตุกตาทองรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกรางวัลโนเบลก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้รูปเสียงเกียร์รถชะนิดต่างๆ ที่เราเสพกันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ดับได้กับแบบดับชั่วคราวดับแบบน้ํามันไม่ใช่ดับแบบน้ําเวลาเราจะดับไฟถ้าเราเทน้ํามันลงไปเวลาเทลงไปใหม่ๆไฟก็ทําท่าจะดับเพราะว่าน้ำน้ำมันยังไม่ร้อนแต่พอน้ํามันได้สัมผัสกับไฟ เกิดความร้อนขึ้นมาเดี๋ยวก็ปัทุไหมขึ้นมาแล้วจะไหมแรงมากกว่าตอนที่ไม่ได้เทน้ำมันลงไปในกองไฟความทุกข์ของพวกเราก็เหมือนกันความทุกข์ของพวกเรานี้เราไม่ได้ใช้ธรรมะดับกันเรามักจะใช้น้ำมันคือสิ่งที่เราอยากได้อยากดูอยากเป็นอยากเห็นกันสิ่งเหล่านี้ พอเราทำไปแล้วมันจะรู้สึกว่าความทุกข์หายไปใหม่ๆเวลาได้อะไรที่เราอยากได้มาเราจะมีความสุขมีความดีใจแต่พอหลังจากนั้นไปไม่นานสิ่งที่เราได้มามันก็จะเริ่มทำให้เรามีความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราได้มาเราก็จะรักจะหวงจะห่ว ง, จ ะ, วงจะกังวล จะไม่อยากให้เขาจากเราไปจะอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัาดภาดจากกันพอเวลาเกิดการพลาดลาจากกันก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์ใจนี่เราต้องดับด้วยธรรมะธรรมะนี่เป็นเหมือนน้ำน้ำดับไฟถ้ามีน้ำมากๆนี่สามารถดับไฟได้อย่างราบคราบถ้ามีน้ำไม่มากพอก็ยังอาจจะดับไม่ได้มากอาจจะดับไม่ได้หมดอาจจะดับได้บางส่วนแต่ถ้าเรามีน้ำ พอที่จะดับไฟถ้าน้ามากกว่าไฟไม่ช้าก็เร็วไฟก็จะต้องดับไปหมดแต่อย่าดับด้วยน้ำมันดับด้วยน้ำมันคือดับด้วยลาบยศสารเสริญดับด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำมันดับความทุกข์ใจของพวกเรามันดับตอนที่เราเทเทเข้าไปในใจเราใหม่ใหม่ เวลาเราได้ลาบมาเราจะมีความสุขดี อ, อกดีใจได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูออกลิ้นกายเช่นตอนแต่งงานกันใหม่ๆอันนีมูลกัน ừ, มีความสุขดื่มน้ําพึ่งพระจัน์กันแต่พออยู่ด้วยกันไปสักระยะแล้วเดี๋ยวก็เกิดมีความทุกข์ความกังวล เวลาไม่เห็นหน้ากันก็กังวลแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือเวลาเขาไปพูดไปคุยกับคนอื่นก็อาจจะ ก, กังวลว่าเอ๊ะเขาเบื่อเราแล้วหรือยังเขาไม่ชอบเราแล้วหรือเขาไม่รักเราแล้วหรือหรือเวลาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการทะเลาะกันนะแล้วถ้าไม่ระมัดระวัง ก็อาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันได้อตอนต้นก็จะทะเลาะกันด้วยวาจาแล้วเดี๋ยวพอพอแรงขึ้นก็จะใช้กำลังกันใช้ทำร้ายร่างกายของกันและกันนี่คือความทุกข์ที่ตามมาเหมือนกับไฟที่เราดับด้วยน้ำมันเทลงไปใหม่ๆไฟนี้เหมือนกับดับเพราะน้ำมัน ตอนนั้นยังมันไม่ร้อนมันไม่ไหมมันไม่มันยังเผาไหมไม่ได้แต่พอได้รับความร้อนจากกองไฟเดี๋ยวไม่นานไฟก็จะลุกขึ้นมาและจะแรงกว่าไฟอันเก่าเพราะว่ามีเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ที่พวกเราดับด้วยลาบยศสรรเสริญ ดับด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่มันดับไม่ได้นานดับได้เดียวเดียวแต่พอ <c oughs> พอความโลภความอยากมันร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ทีนี้มันก็จะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมดังนั้นถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างอย่างถูกต้องต้องดับด้วยธรรมะ ดับด้วยคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะไม่มีคําสั่งคําสอนของใครในโลกนี้ที่จะสามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้อย่างอย่างราบคาบอย่างบริบูรณ์คำรู้คาสั่งคําสอนของของลัทธิของาศาสนาบางลัทธิก็อาจจะดับความทุกข์ได้ในระดับ ในระดับต้นๆคือระดับบางศาสนาก็สอนให้ทาบุญให้รักษาศีลอันนี้ก็จะดับความทุกข์ใจได้บางส่วนแต่ไม่ทุกส่วนบางศาสนานอกจากสอนให้ทาบุญรักษาศีลก็ให้นั่งสมาธิเช่นให้ลองเพลงสรรเสริญพระเจ้า หรือสวดมนต์เหล่านี้ก็เป็นวิธีที่จะลดความทุกข์ภายในใจให้น้อยลงได้แต่จะไม่หมดจะไม่หายอย่างราบคาบจะไม่หายอย่างไม่มีวันหวนกลับมาใหม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ของพวกเรานี่ให้หายได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีวันกลับมาอีกถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็คือพอหายแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไป น, นี่คือความวิเศษของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราถ้าเรามีธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้นี้ จะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กว่าให้ข้าวของเงินทองให้ตำแหน่งให้รางวัลอะไรต่างๆต่อผู้ที่เขาต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปดับความทุกข์ให้กับเขานะให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่ดีที่สุดนะให้อย่างอื่นถึงแม้ว่าจะจำเป็นถึงแม้จะได้ประโยชน์ก็เป็น ประโยชน์ชั่วคราวไม่ใช่ประโยชน์แบบถาวรเช่นเราส่วนใหญ่สิ่งที่เราช่วยเหลือกันได้ให้กันได้ก็คือวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆและการให้เข้าของวัตเข้าของเงินทองวัตถุต่างๆนี้เราเรียกว่าวัตถุทานในาศาสนาพุทธนี่สอนวิธีวิธีให้มีอยู่สี่วิธีด้วยกันวิธีแรกที่เรา ให้ด้วยกันที่เรารู้จักกันก็คือการให้ข้าวของเงินทองให้ปัจจัยสีเวลาผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอเขาไม่มีสิ่งที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายของเขาเช่นเขาขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดที่ อ, อาศัยขาดยารักษาโรค เราก็มาช่วยกันหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้กับเขาเช่นเวลาเกิดภัยต่างๆภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหมแผ่นดินไหวคนจะลาบากจะไม่มีปัจจัยสี่คนที่มีปัจจัยสี่ก็เอามาให้กันมาช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางร่างกายแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจ ไปด้วยพร้อมๆกันเพราะถ้าร่างกายทุกข์ก็จะทําให้จิตใจทุกข์ด้วยพอร่างกายได้รับการบรรเทาความทุกข์จิตใจก็จะได้รับการบรรเทาความทุกข์เช่นเดียวกันแต่ความทุกข์เหล่านี้มียังกลับมาใหม่ได้เพราะว่าถ้าขาดแคลนปัจจัยสีอีกเมื่อไหร่ก็จะกลับมีความทุกข์อีกเอันนี้ สู้ให้ธรรมะไม่ได้ถ้าให้ธรรมะนี่จะสามารถกําจัดความทุกข์ใจไม่ให้กลับคืนมาแต่ถ้าเรายังไม่มีธรรมะเราก็ต้องให้ให้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีก็คือวัตถุข้าวของเงินทองเราช่วยกันส่วนใหญ่เราจะช่วยด้วยข้าวของเงินทองอันนี้เราเรียกว่าวัตถุทาน วิธีให้วิธีช่วยเหลือผู้อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิทยาทานวิทยาทานแปลว่าให้ความรู้วิทยาก็คือความรู้เช่นวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิทยานี้แปลว่าความรู้แขนงต่างๆวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์ถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วเราอยากจะให้ ผู้ที่เขาไม่มีความรู้ได้รู้เราก็สอนเขาได้ให้วิทยาความรู้กับเขาโดยไม่เก็บตังค์เช่นเป็นครูสอนพิเศษแต่ไม่รับเงินเดือนหรือสอนเด็กที่ต้องการจะเรียนพิเศษแต่ไม่มีเงินทองที่จะเรียนก็อสอนให้ให้เขามาเรียนฟรีอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้ แต่เป็นความรู้ทางโลกความรู้ที่ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ใจได้เป็นความรู้ที่ดับได้ก็คือดับความเดือดร้อนทางร่างกายเพราะผู้ที่มีวิชาความรู้เรียนจบปริญญาก็จะไปทำงานได้เงินเดือนที่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับปริญญาไม่ได้เงินเดือน ก็จะได้ทำงานที่สบายกว่าได้เงินเดือนมากกว่าได้เงินเดือนพอเพียงต่อการต้องการของร่างกายอันนี้ก็เป็นการให้แบบที่สองแบบแรกเรียกว่าวัตถุทานให้ข้าวของเงินทองถ้าเราไม่มีวิทยาทานแต่อยากจะให้เขาได้วิทยาทานเราก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนก็ได้ เด็กที่ยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เขาได้ร่ำเรียนหนังสือแต่เด็กอยากจะเรียนเราก็ให้เงินทองไปให้เขาไปเรียนหนังสืออันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวิทยาทานก็ได้วิทยาทานโดยใช้เงินจ่ายเงินไปจะเป็นวิทยาทานเป็นวัตถุทานก็ได้แต่ผลที่ได้รับก็คือได้ความรู้ ได้วิทยาอย่างนั้นก็จะเรียกน่าจะถือไม่ได้ว่าเป็นวิทยาทานแต่ไม่ว่าจะให้เงินทองไปแต่ถ้าให้เงินทองไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อชุดนักเรียนนี้อันนี้ก็เรียกว่าให้วัตถุทานเพราะว่านี่เข า, เาไปซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ถ้าเอาไปเรียนหนังสือเอาไปจ่ายข้าวเราเรียน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานทานชนิดที่สามก็คือธรรมทานธรรมทานนี้คือให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีให้ธรรมทานนี้ก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันถ้าเรามีธรรมะคือถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนเราบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ขั้นโสดาบันขั้นส ก, กิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาราหันต์ถ้าเราให้ความรู้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้ก็จะช่วยให้เขาได้ได้ได้รู้และได้ปฏิบัติจนได้เป็นทำขั้นต่างๆตามที่เราสอนเขาไปถ้าเราเป็นโสดาบันเราก็จะสอนทำระดับโสดาบัน ถ้าเราเป็นธรรมแลถ้าเราเป็นสกิดาคามีเราก็จะสอนในระดับสกิดาคามีถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็จะให้ทมในระดับอนาคามีถ้าเราเป็นอรหันเราก็จะให้ทำระดับอรหันเหมือนกับทางโลกถ้าจบปริญญาตรีก็จะให้ความรู้ระดับปริญญาตรีแต่ไม่สามารถให้ความรู้ระดับปริญญาโทได้ ต้องให้ผู้จบปริญญาโทถึงจะสามารถให้ความรู้ระดับปริญญาโทไดนะ้เช่นเดียวกับปริญญาเอกอันนี้เป็นการให้ธรรมทานถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสอนคนที่เขาอยากจะรู้ธรรมะนี่ต้องสอนให้กับคนที่อยากจะรู้คนที่ไม่อยากรู้อยากไปสอนให้เสียเวลา เพท่านเปรียบเหมือนกับเอจับหมาไปอาบน้ําอย่าไปจับหมาที่มันไม่ชอบอาบน้ำํำแล้ว อ, อย่าไปเทน้ําใส่หลังหมาหเคยเห็นเวลาเทน้ําใส่หลังหมาแล้วเป็นยังไงไหมหมามันสลัดมันสลัดน้ําทิ้งไปหมดหถ้าเราเอาธรรมะไปสอนคนที่ไม่อยากจะได้ธรรมะเขาอาจจะฟังไปยักหน้าเออเออเออเออพอ พอพู้เสร็จเขาก็จาไม่ได้แล้วเขาไม่สนใจเสียเวลาทั้งของเขากับทั้งของเราการจะสอนธรรมะเราต้องดูว่ามีคนสนใจจะฟังหรือไม่ถ้าไม่มีคนสนใจฟังคนไม่สนใจจะฟังก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาต้องสอนคนที่เขาสนใจเพราะถ้าคนสนใจนะพอพูดนี้เขาจะตั้งใจฟัง ฟังแล้วเขาถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะถามแล้วเขาพอนำมาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับประโยชน์นี่คือวิธีแรกการให้ธรรมะให้ด้วยการสอนด้วยธรรมะที่เราได้ปฏิบัติถึงแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมแต่เรายังเห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังหรือจากการได้อ่านหนังสือธรรมะต่างๆถ้าเราอยากจะเอาหนังสือเหล่านี้มาแจกมาพิมพ์แจกก็ได้หรือเอาแผ่นซีดีที่เราฟังแล้วเห็นว่ามีคุณค่าทำให้จิตใจเราเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นถึงแม้จะยังไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แต่เราเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ เราอยากให้คนเดินได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราได้รับเราก็สามารถพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆแจกหรือทําแผ่นซีดีแจกได้อันนี้หรือถ้าเราไม่สะดวกเราก็อาจจะสมทบทุนเช่นเราอยากจะช่วยพิมพ์หนังสือเราก็ใส่เงินบริจาคเงินไปแล้วก็เขียนว่าขอช่วยสมทบพิมพ์หนังสื อ, อ หรือหรืเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้ถ้าเขียนเผยแผ่ธรรมะนี่มันจะกว้างกว่าถ้าเขียนว่าหนังสือก็ต้องเอาไปพิมพ์หนังสือถ้าเขียนว่าซีดีก็ต้องเอาไปทําซีดีแต่ถ้าเขียนว่าเผยแผ่ธรรมะนี่ก็กว้างสามารถเอาไปใช้ได้แม้กระทั่งถ่ายทอดสดนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะเหมือนกันเพราะ การถ่ายทอดสดนี้ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใช้อะไรต่างๆการที่เราบอยจากเงินทองเพื่อเผยแผ่ธรรมะนี้ก็จะคลุมได้ทุกรูปแบบเรียกว่าเป็นการท ำ, ทำธรรมทานอย่างอย่างทั่วถึงถ้าเราทำแต่หนังสือมันก็จะได้แต่หนังสือทำแต่ซีดีก็จะได้แต่ซีดี ทำแต่ทำแต่เครื่องใช้ไม่สอยในการเผยแผ่ธรรมะก็จะได้แต่เครื่องใช้ไม่สอยแต่ถ้าเราทำแบบครอบคุมไปหมดเลยก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกรูปแบบช่วยเผยแผ่ธรรมะอันนี้ละเป็นการทำให้สามารถทำทานทาธรรมทานได้ในทุกรูปแบบ เวนี้ก็คือวิธีที่เราจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้ถ้าเราไม่มีธรรมะของเราเองเราก็สนับสนุนธรรมะของผู้อื่นของครูบาอาจารย์ต่างๆหรือของพระพุทธเจ้าบางท่านอาจจะพิมพ์พระไตรปิฎกก็มีซื้อพระไตรปิฎกชั้งชุดถวายวัดกันส่วนใหญ่เวลาวัดสร้างใหม่ๆนี้จะมีคนเห็นว่าที่วัดไม่มีพระไตรปิฎก ก็จะไปจัดซื้อพระไตรปิฎกมาทั้งชุดอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงมีการให้แค่นิดหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าจะถือว่าเป็นการให้หรือไม่ก็คือการให้อภัยการให้อภัยก็คือเวลาใครเขาทำอะไรให้เราโกรธ แต่เราไม่ทำร้ายเขาเราให้อภัยไม่ถือโทษไม่ลงโทษเขาเรียกว่าให้อภัยการให้อภัยก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราให้อภัยแล้วความโกรธก็จะหายไปความโกรธในใจของเราก็จะหายไปแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทำอะไรเสียหายที่จะเกิดโทษทั้งกับ คนที่เราโกรธแลกลับตัวเราเองถ้าเราโกรธใครมากๆแล้วเราไม่ให้อภัย เ, เราไปทำร้ายเขาพอเราไปทำร้ายเขาก็จะทำให้เขาโกรธเขาก็อยากจะกลับมาทาร้ายเราเขาก็จะมาทำร้ายเราต่อเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเวลาเราไปทำร้ายใครแล้วทีนี้เราก็ต้องกังวลแล้วสิวา่าเขาจะตามมาร่างแค้นเร า, มาเมื่อไหร่ จะมาทำร้ายเราเมือ่อไหร่งั้นการที่เราไม่ให้อภัยไม่ได้นี้จะเป็นอันตรายเป็นโทษกับเราแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้คิดว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ว <S <S 1> <S 1> เขาทาอะไรหรือพูดอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราหยุดตรงนั้นมันก็จบตรงนั้นแต่ถ้าเราไปโต้ตอบไปร่างแคนไป พูดไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราใหมาอ่อีกแล้วพอเขากลับมาทำร้ายเราเราก็จะกลับไปทำร้ายเขาเอีกก็จะจองเวรจองกรรมกันไปไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วถ้าไปเกิดข้างหน้าไปเจอกันข้างหน้าอีกก็จะจองเวรจองกรรมกันอีก เ, เ, เราสังเกตดูสิคนบางคนเราไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่พอเจอกันทำไมไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันนะทำไมเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเราไม่ชอบขี้หน้าเขาเ น, นี่ยก็เปนเพราะว่าเราเคยเป็นศัตรูกันมาในอดีตเนี่ยก็เลยพอเจอกันมันจะรู้ทันทีคนบางคนเราเจอแล้วเราจะชอบเพราะอะไรเพราะชาติก่อนเราเคยชอบกันเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นมิตรกันมาก่อน พอเจอเขาชาตินี้ก็จะชอบเขาทันทีคนบางคนเราเจอแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ชอบไม่ชังก็แสดงว่าชาติก่อนเราไม่มีอะไรกับเขาเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนก็ได้ไม่เคยมีความโกรธกันไม่มีการลักกันก็พอเห็นเขาก็เลยรู้สึกเฉยเฉยขึ้นมานี่แหละคือเรื่องที่ลา สามารถที่จะคิดได้ว่าเรื่องของพพชาติเป็นอย่างไรเรื่องของอดีตตชาติเรื่องของปัจจุบันมันทาไมจึงทำให้เราต้องมีความรู้สึกแตกต่างต่อคนต่างๆก็เพราะว่าในอดีตเราเคยมีความรู้สึกแตกต่างต่อคนต่างๆกันถ้าไม่มีอดีตพวกเราทุกคนเกิดมามันก็จะต้องเฉยๆกันไปทุกคนใช่ไหม พอเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเกลียดกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนพอมาเจอกันแล้วจะมามาเกลียดมารักมาเฉยๆกันได้อย่างไรมันไม่มีเหตุอ่ะแต่นี่มันมีมีการรู้สึกแบ่งแยกรักบางคนเกลียดบางคนเฉยๆกับบางคนอันนี้ก็ต้องมีเหตุว่าในอดีตเราต้องเคยรักบางคนมาก่อนเคยเกลียดบางคนมาก่อน เคยเฉยๆกับคนบางคนมาก่อนมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกกับบุคคลเหล่านั้นแม้แต่สิ่งต่างๆถ้าเราสังเกตดูเราก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันสีนี่ก็เหมือนกันสีบางสีเราก็ชอบสีบางสีเราก็เกลียดสีบางสีเราก็เฉยๆกินก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันอาหารบางชนิดเห็นแล้วเราชอบ บางชนิดเห็นแล้วสัมผัสแล้วชิมแล้วไม่ชอบบางชนิดก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นแบบนี้สิ่งต่างๆนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะในอดีตเราเคยทํากันมาแบบนี้ลาบยศ ส, สรรเสินนี่ชอบกันทุกคนใช่ไหมไม่มีใครไม่ชอบเลยใช่ไหมเพราะอดีตชาติก่อนๆก็ชอบลาบยศ ส, สรรเสิญกันใช่ เรื่องเงินเรื่องทองนี้ไม่มีใครรังเกียจเลยนอกจากพวกนักบวชเท่านั้นพวกที่เคยบวชเท่านั้นอาจจะไม่ชอบเรื่องเงินทองเพราะว่า DP, ชาติก่อนเขาไม่ต้องใช้เงินทองและเขาเห็นเขาไม่อยากจะหาเงินทองเขาไม่อยากจะได้เงินทองเพราะการจะได้เงินทองมันก็ต้องหาเงินทองเขาไม่เคยหาเงินทองเขาไม่เคยใช้เงินทองเขาว่าเลยไม่มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของเงินทอง นี่คือคนที่เคยบวชมาก็จะเป็นอย่างนั้นกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้บางคนก็จะรู้สึกเฉยเฉยเขาไม่รู้สึกจะยินดีอะไรกับมันเพราะเขาไม่เคยหามันมาในชาติก่อนเขาเป็นนักบวชบางคนเกิดมาบวชตั้งแต่เป็นเนนอะไรก็มีก็ถูกฝึกให้ไม่ให้ชอบลาบยศสรรเสริญไม่ให้ชอบรูปเสียงกิดล มันก็จะติดเป็นนิสัยมาจิตใจของเรืงราวนี้มาเปลี่ยนร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าของจิตใจแต่ น, นิสัยใจคอนี้ไม่เปลี่ยนเรามาเกิดเป็นชาติอะไรก็ตามเป็นชนชาติอะไรก็ตามความชอบความชังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกัน ชาติก่อนเราเคยชอบอะไรเราเคยชังอะไรชาติก่อน ส, สมมติเราเคยเป็นชาวฝรั่งเศสเราเคยชอบอย่างนู้นอย่างนี้พอมาเกิดชาตินี้เป็นคนไทยเราก็ยังจะชอบแบบเดียวกันเกลียดแบบเดียวกั น, นชอบสีแบบเดียวกันเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนไงที่เราเปลี่ยนเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าใจนี้เป็นเหมือนร่างกายร่างกาย เราเปลี่ยนเสื้อผ้าร่างกายก็ยังหน้าตาอันเดิมอยู่ใจเราก็เหมือนกันนะไม่ว่าเราทำอะไรพอมันเป็นนิสัยแล้วมันจะติดไปกับใจของเราถ้าเราถนัดมือขวาชาติหน้าเราไปเกิดเราก็จะถนัดมือขวาถ้าเราถนัดมือซ้ายชาติหน้าเราไปเกิดเราก็จะถนัดมือซ้ายถ้าเราชอบผู้หญิงชาติหน้าเราก็ไปชอบผู้หญิง ถ้าเราชอบผู้ชายชาติหน้าเราก็จะไปชอบผู้ชายมันเป็นเรื่องของมิสัยที่มันถูกปลูกฝังไว้ในจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าชาตินี้เราชอบทำบุญชาติหน้าเราก็จะชอบทำบุญถ้าชาตินี้เราชอบบวชชาติหน้าเราก็จะไปชอบบวชถ้าชาตินี้เราชอบดื่มสุราชาติหน้าเราก็จะไปดื่มสุรา ชอบเล่นการพนันเราก็จะไปเล่นการพนันเอชอบเที่ยวเราก็จะไปเที่ยวออันนี้มันเป็นนิสัยที่ติดตัวมานิสัยทางศาสนานี้ท่านแบ่งไว้เป็นสองทางนิสัยที่ดีเป็นคุณประโยชน์กับจิตใจคือช่วยให้จิตใจลดความทุกข์ให้น้อยลงเพิ่มความสุขทางจิตใจให้มากขึ้นเราก็เรียกว่าบุญหรือบารมีเอ นิสัยที่ทำให้เพิ่มความทุกข์มากขึ้นทำให้ทาให้จิตใจมีความสุขน้อยลงเราก็เรียกว่าบาปหรือเวรกรรมคือการกระทำที่ไม่ดีต่างๆเราเรียกว่าบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดืม่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ เช่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตทั้งกลางวานันทั้งกลางคืนคบคนที่ไม่ชอบอคบคนที่ชอบอบา ย, ยามุขเป็นมิตรมีความเกลียดค้านถ้าเราเคยทำอย่างนี้มาชาตินี้ชาติหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นชาติที่แล้วถ้าเราเคยทำอย่างนี้มาชาตินี้เราก็จะเป็นอย่างนี้มันจะติดมาเป็นนิสัยถ้าเ่า ได้ปลูกฝังบุญกุศลหรือบุญบรารมีไว้เช่นเรามีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนีมน้มันก็จะติดมากับเราเราพอเห็นใครเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าเราชอบทำทานเราก็จะเราก็จะมาทำทานอยู่เรื่อยๆมีเงินทองมั่ามไม่เอามาใช้เองอชอบเอาไปแจกให้คนอื่นชอบเลี้ยงเพื่อนฝูง จะทำเปิดโรงทานเปิดอะไรสงเคราะห์คนที่ไม่มีไม่มีจะกินให้ได้ให้มีกินบ้างทำทานถ้าเราเคยทำทานมาในอดีตมันก็จะทำให้เรามาทำทานต่อถ้าเราเคยรักษาศีลห้ามาเราก็จะมารักษาศีลห้าต่อถ้าเราเคยรักษาศีลแปดเราก็จะรักษาศีล8ต่อถ้าเราเคยบวชเราก็จะบวชต่อ ถ้าเราเคยฝึกนั่งสมาธิมาเราก็จะมานั่งสมาธิต่อถ้าเราเคยคิดทางปัญญาคิดตามเหตุตามผลเราก็จะคิดตามเหตุตามผลคิดตามความเป็นจริงไม่คิดด้วยความหลงอันนี้เป็นเรื่องนิสัยที่ดีเพราะบุญบารามีจะเป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับใจและกำจัดความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ mm. จนทําให้เรา mm. ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรายังไม่หยุดการเกิดเราก็จะต้องกลับมาสร้างบารามีกันต่อสร้างกันจนกว่าจะครบสิบบารามีสิบบารามีพอมีบารามีครบสิบแล้วก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ได้มีมี อุปกรณ์ครบถ้วนในรถยนต์สามารถขับไปไหนมาไหนได้ถ้ารถยนต์ยังไม่ครบยังไม่มีล้อยังไม่มีพวงมาลายนี้ยังต้องประกอบรถยนต์ต่อไปเหมือนลงประกอบรถยนต์นี้เขาจะไม่ปล่อยรถยนต์ที่วิ่งไม่ได้มาขายเขาต้องรอให้ใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ครบบริบูรณ์ก่อนพออุปกรณ์ครบแล้วเขาก็เอามาทดสอบวิ่งดู พอวิ่งดูแล้วทุกอย่างใช้ได้ดีหมดเขาถึงจะเอาไปขายต่ออันนี้ก็เหมือนกันบรารมีทั้งสิบนี้ก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ของรถยนต์ที่จะพาจิตใจของพวกเรานี้ให้ไปถึงพระนิพพานได้ให้เราหลุดออกจากกองโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัตรหรือวัตตะสงสารสังสารวัตรหรือวัตตะสงสารนี้ ก็เป็นที่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังประกอบรถยนต์ไม่ครบบริบูรณ์รถยนต์ที่จะพาเราไปพระนิพพานนี้ยังมีอุปกรณ์ไม่ครบบริบูรณ์ถ้ายังไม่ครบก็ยังต้องเวียนว่าตายเกิดในตายภพนี้ก่อนเกิดในกามมาภพถ้ายังกำจัดกามอารมไม่ได้ถ้ายังกำจัดกามะตาหาไม่ได้ก็ยังจะต้องไปเกิดในกาม กามพบถ้ากำจัดกามกามาารมลมได้กามาตันหาได้แต่ยังกำจัดภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่ได้ก็ยังต้องไปติดอยู่ในรูประพบกับอรูประพบแต่ถ้าสามารถกำจัดกะตันหาทั้งสามได้หมดด้วยบา ร, รมีสิบหรือด้วยมรแปดอันนี้เหมือนกันบาลสิบบาลมีสิบหรือมรแปดนี่ก็เป็น รถยนต์เหมือนกันเพียงแต่ต่างยี่ห้อยี่ห้อโรลส์รอยส์กับยี่ห้อคัดเดลักเนี่ยแต่ก็เป็นรถยนต์ที่จะพาให้ไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันถ้ามีมรรคแปหรือมีทานศีลภาวนาหรือมีบรารมีสิบเนี่ยก็เป็นเหมือนมีรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ที่ผู้ขับสามารถขับพาตนเองให้ไปถึงพระนิพพานได้ ให้ออกจากตายพบได้ออกจากการติดอยู่ในกามาพบในรูปพบและอรูปพบเนนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทากันทุกภพทุกชาติก็คือควรพยายามฝึกสร้างบุญบรารมีต่างๆบุกฝังให้มันเป็นนิสัยในใจของเราแล้วมันจะค่อยจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆหรือถ้ามาบางครัง้งบางคราวนี้ถ้ามาเจอพระพุทธศาสนาเลยนี้ เราก็จะสามารถประกอบรถยนต์ให้ได้เสร็จภายในชาตินี้พบนี้เลยเพราะว่ามีโรงงานที่เขาจะสอนเราโรงงานก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์ที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเราก็ไปเรียนที่โรงงานเลยไปประกอบที่โรงงานเลย นรงงานเขาก็จะบอกว่าต้องมีพวงมาลัยมีล้อมีเบรกมีคันเร่งมีถังน้ำมันมีเครื่องยนต์มีอะไรต่างๆพอเราเอาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันเข้าไปพอเราประกอบได้ครบบริบูรณ์เราก็สามารถที่จะขับรถนี้พาเราไปถึงพระนิพพานภายในชาตินี้ได้เลย แต่ถ้าไม่มีโรงงานถ้ามาเกิดในภพที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนวิธีประกอบรถยนต์นี้เราก็ต้องเดาเอากันว่าต้องเอาอะไรบ้างชาตินี้ก็จะลองเอาเมตตาบารมีแต่ก็เอาอย่างเดียวไม่รู้ว่าต้องมีทั้งหมดสิบบารมีด้วยกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีบารมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบอันใดบ้าง ที่จะพาให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ฉะนั้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ที่ปรารถนานิพพานก็จะต้องคำทางไปเดาไปเช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคว่าโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนานิพพานแต่ไม่มีอาจารย์ไม่มีใครสอนก็เลยต้อง ลองผิดลองถูกบางชาติมีมีโอกาสได้สร้างบา ร, รมีอันใดอันหนึ่งก็สร้างบา ร, รมีอันนั้นไปอย่างสุดๆเช่นถ้าเป็นมาเกิดตอนที่ไปเกิดเป็นพระเวชจันดรก็มีโอกาสได้ทําทานบา ร, รมีก็ทําแต่ทานบา ร, รมีอย่างเดียวบางชาติไปเกิดเป็นพระมาหาชนกไปอยู่เจอเหตุการณ์บังคับที่จะต้องสร้างวิระยะบา ร, รมีก็ท่างวิระยะบา ร, รมีไป บารามีมีสิบแต่เวลาสร้างนี้ถ้าไม่มีไม่มีเครคู่มือก็จะไม่รู้ว่าต้องสร้างบารามีกิชนิดไหนบ้างก็ลเลยต้องอาศัยเหตุการณ์ในชีวิตเป็นตัวเหมือนกับกระตุ้นให้สร้างบารามีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะมีคู่มือที่จะบอกว่าถ้าอยากจะไปพันิพานนี้ก็ต้องสร้างบา ร, รมีทั้งสิบนี้ถ้าเรามีบา ร, รมีทั้งสิบนี้หรือเรามีมรกคแปดเราก็จะสามารถไปถึงพันิพานได้ภายในชาตินี้เลยเพราะเราไม่ต้องมาคํำทางเหมือนกับถ้าเอาช่างประกอบรถยนต์นี้ปิดตาเขาแล้วก็บอกาช่วยประกอบรถยนต์ให้หน่อยเขาก็ต้องําไปหยิบไป หยิบทีละชิ้นทีละอันแล้วก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่ก็ต้องการวางไว้ตรงไหนบ้างเหยู่ตรงไหนบ้างทําให้เขาประกอบไงก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จกว่าจะสําเร็จก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานต้องลองผิดลองถูกแต่พอเราเปิดตาเขาออกเอาผ้าที่ปิดตาเขาออกแล้วบอกให้เขาช่วยประกอบรถยนต์หน่อยเขาก็เห็นอุปกรณ์ต่างๆเขาก็สามารถที่จะมาประกอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถประกอบรถยนต์ให้สําเร็จภายในไม่ระยะเวลาไม่กี่วันกี่ชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็เช่กนการเปรียบเทียบระหว่างที่มีพระพุทธศาสนากับระหว่างที่ไม่มีพระพุทธศาสนามันยากง่ายต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคนที่จะไปนิพพานโดยไม่มีพระพุทธศาสนานําทางเนี่จะต้องใช้เวลาหลายแสนชาติด้วยกันหลายล้านชาติด้วยกัน เพราะจะต้องลองผิดลองถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงชาติสุดท้ายมาได้ครบในชาติสุดท้ายอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยกัจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านลองผิดลองถูกมาไม่ไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วลองสร้างบา ร, รมีชนิดต่างๆแม้กระทัง่งชาติสุดท้ายนี้ก็ยังต้องลองผิดลองถูกอยู่องไปลองผิดไปอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวัน พราะไม่รู้ทางที่จะไปสู่นิพพานว่าจะต้องไปทางไหนก็เห็นว่ามีร่างกายก็่อยต้องลองทรมานร่างกายมันดูเห็นคนอื่นเขาทรมานบ้างก็ต้องลองทรมานบ้างทรมานจนกระทั่งร่างกายจะตายแต่ความทุกข์ก็ยังไม่หายไปก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ทางเลยต้องย้อนกลับมาแล้วก็มานึกถึงตอนที่ความทุกข์มันหายตอนที่เข้าสมาธิ ก็เลยคิดว่าลองเข้าไปในสมาธิดูดีกว่าพอทำสมาธิใจสงบเย็นแล้วก็คอยสังเกตดูว่าความทุกข์มันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็จะได้สังเกตดูต่อไปว่ามันโผล่เพราะอะไรพระพุทธเจ้าเลยต้องใช้การกลับมาภาวนาทำใจให้สงบก่อนทำใจให้สงบให้ความทุกข์หายไปก่อนแล้วทีนี้ก็ถอนออกจากสมาธิมา แล้วทนนี้มาคอยดูว่าความทุกข์จะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าพอเผล่ขึ้นมาก็เลยต้องดูแล้วว่ามันโผล่เพราะอะไรมันต้องมีเหตุที่ทําให้มันโผล่เหตุที่ทําให้มันโผล่ก็คือจะต้องไปสัมผัสรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสัมผัสรับรู้เรื่องที่ไม่ชอบหรือชอบมันก็จะเกิดความ อยากความไม่อยากขึ้นมาทันทีเราเกิดความอยากไม่อยากก็จะเห็นใจนี่เริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าลองผิดลองถูกไม่มีใครสอนเวลาจิตสงบนี้มันจะนิ่งเหมือนน้ำนะแล้วแต่พอจิตมาเริ่มไปเกิดความอยากขึ้นมานี้เหมือนมีปลาในน้ํามันมันโผล่ขึ้นมาจากน้ําพอโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํามันก็ทําให้ น้ำที่นิ่งนี้มันเป็นคลื่นขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิมันจะสงบเหมือนน้ํานิ่งพอจากสมาธิมาพอไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเนื้อพอไปคิดเรื่องอะไรที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมานี้ใจมันจะกระเพื่อมเหมือนกับปลามันมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็โดดขึ้นมาเหนือน้ำํำความอยากนี่แหละถึงจะ เ, เราจะเห็นทันทีว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจเรากระเพื่อม ทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากที่จะหยุดความอยากนี้เราก็ต้องอยากไปทําตามความอยากวิธีที่เราจะไม่ทําตามความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ได้ทาให้เราสุขพอเราเห็นว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราก็หยุดความอยากได้ไม่อยากได้ ต่อไปความอยากตัวนั้นก็จะไม่มีโผลวันโผลขึ้นมาอีกเนี่นี่แหละคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากทั้งสามคือกามตัานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่และการจะดับกามตัานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่ตันหาอยากได้ว่าเป็นทุกข์นั่นเองเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขงังอนัตตา คือมันถ้าได้มาแล้วจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยา่าอย่าได้มาเช่นคนที่อยากจะมีแฟนนี่อย่าไปมีแฟนมีแล้วทุกขนะ์เนาะรับประกันได้คนที่ไม่มีแฟนนี่ไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่มีแฟนเนะชื่อไหมไม่เชื่อนองไปถามคนที่มีแฟนดูหลายคนที่ไม่มีแฟนมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะความอยากมีอีก แต่ถ้าหยุดความอยากมีแฟนได้มันก็จะไม่อยากมีการจะหยุดการมีอยากมีแฟนได้ต้องก็ต้องเห็น่คนที่เขาดูคนที่เขามีแฟนว่าเป็นยังไงเขามีแฟนแล้วเป็นยังไงเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสุขเขาสุขบ้างแต่เวลาทุกข์นี่มันทุกข์ทุกข์มากกว่าสุขอ่ะก็เวลาสุขนี่มันสุขแบบอ่ากำมือเนี่ยแต่เวลามันทุกข์นี่มันทุกข์แบบอ่าตุ่มน้ําเนี่ยมัน อยากจะฆ่าตัวตายเวลาทุกข์กับแฟนเนี่ยใช่ไหอแต่เวลาสุขกับแฟนมันก็ก็สุขอะ่ะแต่มันมันไม่มันไม่สุขเท่ากับทุกข์เราต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเราเห็นว่ามันทุกข์เราก็จะไม่เอาดีกว่าเราก็จะไม่อยากได้ ามอยากก็จะหายไปไม่ต้องบังคับมันพอรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยาพิษระยะก้าเอามาไหมถ้าเครื่องดื่มเขาติดป้ายกระโหลกกะโหลคว้าด้วยกระดูกนี่อันตรายห้ามดื่มนี่เราก้ า, ามาดื่มไหมไม่กล้าดื่มจฉันไดขอให้เรามองทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนอกระโหลควาดด้วยกร ะ, ะ, ะดูกนี่ ให้เห็นตัวนี้ไว้นะไม่ว่าจะในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมันเป็นอันตรายต่อจิตใจใหม่ๆมันจะให้ความสุขแต่ต่อไปมันจะค่อยๆกล า, า, ายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความจริงมันทุกข์ตั้งแต่ได้มาเลยพออะไรเป็นของเราปั๊บนี้ห่วงไหมห่วงทันทีเลยห่วงไหมห่วงเลย แล้วถ้าเขาจากเราไปเสียใจไหมเสียใจยิ่คิดอย่างนี้เราต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรอะพอใจแล้วไม่อยากก็เหมือนปลาเหมือนน้ำที่ไม่มีปลาที่จะกระโดดขึ้นมาทำให้น้ำมันกับเพื่อมเป็นลูกคลื่นใจก็จะนิ่งไปตลอดใจก็จะสบายไปตลอดอนี่ละ่ะคือการลองผิดลองถูกของพระพุทธเจ้าในจนในที่สุดก็ เห็นสัจธรรมความจริงเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการที่จะทำให้ใจหายทุกข์ก็ต้องทำให้ตัณหาหายไปตัณหาจะหายไปก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้นี่เป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกข์ขังอนัตตาเ ห, เห็นกระโหลกไขว้ด้วยกระดูกสองท่า เด็ดอยู่ทุกสิ่งทุกแห่งทุกขนเด็ดอยู่ที่ลาบเด็ดอยู่ที่ยศเด็ดอยู่ที่สรรเสริญติดอยู่ที่เอ่อที่รูปเสียงกดลดิ่นรสเพราะของพวกนี้เวลาได้มามันสุขแต่เวลามันไม่ได้มันทุกข์ใช่ไหมเวลาเศรษฐกิจตกตามน่อยปวดหัวแล้วใช่ไหมรายได้จะลดลงนี้เริ่มทุกข์แล้วไหมพอรู้ว่าปีนี้จะจะกําไรน้อยหน่อยก็ทุกข์ละทั้งทั้งนี้ยังได้กําไรก็ทุกข์ละเพราะอยากจะให้มันกําไรมากกว่าปีที่แล้ว นี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่ที่ใจของพวกเราขาดบารมีทั้งสิบขาดมรรคแปดฉะนั้นขอให้พวกเราพยายามมาสร้างกันในพบนี้เพราะเรามีสูตรมีคู่มือที่บอกเราให้รู้ว่าอุปกรณ์ที่จะมาประกอบเป็นรถยนต์พาเราออกจากตายนี้ต้องมีอะไรบ้าง แต่ถ้าเรามาเกิดในภพที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีคู่มือจะมาบอกเราว่าวิธีประกอบรถยนต์นี้จะต้องมีมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถประกอบได้สาเร็จเพราะว่าขนาดมีคู่มือแล้วยังประกอบกันไม่ค่อยสำเร็จเลยแล้วถ้าไม่ไปเกิดในยุคที่ไม่มีคู่มือมันจะประกอบได้อย่างไรังั้นชาตินี้ต้องถือว่าเป็นชาติที่วิเศษมาก นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาพบคู่มือในการสร้างอุปกรณ์สร้างรถยนต์ที่จะพาเราให้ได้ไปถึงพระนิพพานกันถ้ามาเกิดในภพที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีคู่มือมาบอกเราเราก็จะต้องลองผิดลองถูกไปเป็นแสนชาติเป็นล้านชาติกว่าจะได้ครบบรมีบรมีทุกทุกทุกบรมีได้อุปกรณ์ ครบถ้วนที่สามารถผลิตเป็นรถยนต์พาเราไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นชาตินี้เราต้องรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้มากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราแล้วพวกเรายังจะต้องไปลองผิดลองถูกอีกหลายแสนล้านชาติด้วยกันแต่ตอนนี้เรามีคู่มือมีคนบอกเราแล้วเราสามารถผลิตรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้ในชาตินี้เลย ดังนขอให้เราตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติบูบชาด้วยการกระทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่าไปเสียเวลากับไปทำอะไรอื่นเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้สู้ธรรมะไม่ได้ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำกันนี้ไม่สามารถที่จะพาให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทเาท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 มณีโชติอราโสญาาสัพพิติโยมีวาชานตุสัพพโรโควินาสตุมัเตภวตวันตรายุสุขิทีคายุโกภา พิวาทานสีลิตสานิจังวุธาปจายนโนจตารูธรมมวัทานติอายุวันโอสุขังภลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟ c บุ๊กสี่ร้อยยูทูบสองร้อยยี่สิบสี่วิทยุออนไลน์ยี่สิบก รับฟังบนเขาห้าสิบแปดรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยแปดท่านค่ะ เ, ค เ, เชิญอาจารย์เบ<อ> า, าเบ<อ>าเสีย ง, <อ><ๆ>งเบาเบาหน่อยอค่ะเคเมื่อกี้ได้ทบทวนเรื่องทานทานสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทานวิยาทานธรรมทานและอรัยทานที่มาของมันเราไม่เคยรู้เลยวันนี้เพิ่งรู้ถึงความละเอียดอ่อน ในการทำนิสัยอุปนิสัยและอัตยาศสัยเกิดม 8, รรคแปดบารมีสิบภาวะวิภาวะฟังแล้วงงไปหมดเลยอาจารย์แต่อย่างแรกที่เรามีปฏิบัติบูชาเราก็ผ่านทานไปแล้วหนึ่งด่านคือเราไม่หวงอะไรที่เป็นของตัวเองอย่างที่สองวิทยาศาสร์กำลังทำอยู่ธรรมทานนี่ทำไปนานแล้วในขณะที่เราทำวิทยาทานเรายังมีปัถนาอยากจะให้ทุกๆคน เก่งฉลาดเราเลยเป็นทุกข์ตัวนี้เป็นคำถามว่าเราจะทำไงให้ตัวปานาของเรากับเด็กที่เราสอนเนี่ยให้เขาเก่งพอเราปานาแล้วเขาไม่เก่งเราเลยทุกข์ตัวนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างแยบยลได้ยังไงครับอาจารย์ก็ดูดูนิ้วเราเป็นตัวอย่างกาแล้วกันนักเรียนของพวกเราก็เป็นเหมือนนิ้วมันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่เท่ากันจะไปให้มันเท่ากันได้ยังไง ความสามารถที่มันจะรับความรู้จากเรามันไม่เท่ากันมันถึงมีเด็กเกรดสี่เกรดสามเกรดสองเพราะความสามารถที่จะรับรู้สติมันมีไม่เท่ากันเวลาครูสอนใจมันมีสติฟังมากน้อยไม่เท่ากันคนที่ฟังมากมันก็เข้าใจมากมันก็ตอบคำถามได้เอมากคนที่ฟังน้อยมันก็เข้าใจน้อยจำได้น้อยมันก็ตอบได้น้อย นั้นนักเรียนของพวกเราก็เหมือนกับก็เหมือนกับนิ้วของพวกเรา่ะภาลยยะยังมีไม่เท่ากันเลยภาลยยะยังมีโสดาบันมีสกิทาคามีมีอานาคามีมีอาราหารันแต่สามารถกพัฒนากันขึ้นไปได้ถ้าก็มีความเพียรพยายามแต่เป็นเรื่องที่ตัวของเขาเองจะต้องเป็นผู้ผลักดันตัวเขาเองครูบาอาจารย์ผลักดันเขาไม่ได้มีแต่เป็นบอกทาง ผู้ที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางต้องเดินไปเองอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพรามเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้สอนลูกศิษย์ให้ไปถึงนิพพานกันแต่ทำไมลูกศิษย์บางคนไปถึงบางคนไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่มีหน้าที่ไปเรามีหน้าที่สอนเราก็สอนตามหน้าที่ของเราแต่คนที่จะไปเขาจะไปหรือไม่ไปอยู่ที่ตัวเขา นั้นแสดงว่าสมัยก่อนที่พระพุทโธได้บวชเอพิกุลแล้วมาชุมนุมกันหนึ่งพันสองร้อโลกแสดงว่าอันนั้นเป็นอุ ต, ตริแล้วทุกทกคนรู้ถึงอุ ต, ตริถึงมาชุมนุมกันใช่หรือไม่ครับอาจารย์อุ ต, ตริหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขารู้โดยการสื่อสารแล้วมาชุมนุมกันสมัยพุทธองค์บวชให้อ่ะครับอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุไม่รู้เกินเราจะพูดบางเอิญก็ได้เพราะไม่มีการนันหมายกันไง ไม่ได้ไม่ไม่ได้เขียนเขียนพิมพ์หนังสือแจกกันหรนสมัยนี้ส่งไลน์ไปบอกกันว่าเอ้ยวันพร้า น, นี่มาหาพระพุทธเจ้านะแต่พอดีใจมันตรงกันผู้หญิงเดียวทุกคนอยากจะมาหาพระพุทธเจ้าในวันนั้นก็เลยมาเจอกันในวันนั้นเท่านั้นเองเหมือนที่มาที่นี่ไม่ไม่ได้ส่งไม่ได้มีไหนหมายนัดกันใช่ไหมแล้ว น, นี่มาเจอกันไม่รู้เป็นผ้าอาหานหรือเปล่าเนี่ยที่มาเจอกันที่นี่นี่กันก่อน อ่าเหลือตัวสุดท้ายอภัยทานหลังจากที่เราทำทานเสร็จปับ๊บทุกวันนี้เรากินไม่หมดเลยมีคนเอาของมาให้บ้านรถเต็มวิทยาทานกำลังทำอยู่ซาบเึงแล้วก็ ร, รู้สึกว่าการให้นั้นเป็นประโยชน์ธรรมทานก็มีความสุขปลาลมังสุขขังเหลือเกิน ตัวสุดท้ายอภัยญาทานเวลาคนติดหนี้เราเยอะๆแล้วเขายังไม่ให้เราทําไมเรายังอยากตบเขาอยู่เลยอาจา <laughs> รย์พเราอยากจะได้เงินคืนไงหมายถึงน้อยๆน้อยๆได้แต่เวลายเยอะๆมันแบบยังอยากขยุ่มอยู่เลยแล้วต้องตบตัวเราเองที่เราโง่ไปไปโง่ให้อาเงินไปให้เขาเองเขาไม่ได้อัาาปอืนมาจ <laughs> <laughs> ี้เราเท่า ไ, ปไปาหร่งงห <laughs> ต้องตบตัวเองก ว, ว่าจะาด้จ้ะ <laughs> ใช่นี่ละแอบ เขาอยากถามว่าตอนที่มันเป็นขั้นขั้นไปอ่ะเคอเมื่อก่อนมันเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับแล้วหลักพันหลักหมื่นก็ยกให้เสร็จละคราวนี้คิดว่ามันไปเป็นขั้นหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าือนต้องให้จากน้อยไปมากก่อนไปหามากไงให้ง่ายให้น้อยมันง่ายกว่าให้มากไงอ๋อความง่ายความยากนั่นแหละโอเคอ่ามีเรื่องที่จะต้องถามมีคำถามเดียวซึ่งฟังแล้วสับสนแล้วก็ เหมือนคนแบบปัญญาอ่อนแต่ยังไงก็ต้องถามอาจารย์ระหว่างรูปกับนามที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมีผีมีอะไรที่เขาพูดกันแล้วที่อาจารย์พูดถึงดินแดนของเทวดาพรมเทพซึ่งจริงๆแล้วอะ จากทิตที่เราเห็นเราก็รู้แล้วว่าเป็นนามธรรมา ท, ำทำไมฉันไหนเล่าตอนที่เขียนหนังสอือเรือว่าการกล่าวอ้างถึงยังมีนรกมีสวรรค์ทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นเพียงนามธรรมครับอาจารย์นามธรรมา ม, มันก็เป็นของที่มีอยู่นรกสวรรค์ก็เป็นของที่มีอยู่แต่ต้องเห็นด้วยใจคือนามนามนี่ต้องเห็นด้วยใจรูปเห็นด้วยร่างกาย รูปทือรูปต่างๆที่เราเห็นด้วยตาของเรานีเรียกว่ารูปแต่สิ่งที่มันละเอียดกว่านั้นที่ตามองไม่เห็นร่างกายมองไม่เห็นต้องใช้ใจมองใจก็จะมองดวงวิญญาณต่างๆดวงวิญญาณต่างๆนี่แหละที่เป็นสวรรค์เป็นนรกไม่ใช่เป็นสถานที่เข้า <c oughs> ใจไหมด ว, ดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นสวรรค์เป็นเทพดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ก็เป็นเปรตเป็นนรก ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นดวงวิญญาณแต่ละดวงเข้าใจเจ็บแจ้งครับอาจารย์ huh. คำถามสุดท้ายคือจิตออกกำลังกายอย่างไรทำไมจิตหลอกเราได้อยู่ทุกวันเวลาเราเกิดแก่เจ็บตายโดยธาตุสี่เรามีอายุไขโดยประมาณเจ็ดสิบห้าถึงร้อยปีแล้วแต่บางคนก็มากบางคนก็น้อยอยากถามว่า เวลาจิตมันหลอกเราเช่นกลางคืนเรานอนฝันหรือ ว, ว่าตอนตายไปแล้วมันไปจุดติที่ใหม่อยากถามอาจารย์ว่าตัวจิตเนี่ยมันมันน่าจะมีแก่อ่อนและมีอายุไขหรเลือดเป็นอะไรแบบแบบร่างกายไหมครับอาจารย์ไม่เป็นนะจิตไม่มีวันตายจิตมันก็ล่องไปล่องมาตามอานาจของบุญของบาป พอไม่มีร่างกายมันก็ก็ต้องอยู่ตามสภาพจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงที่ไม่มีร่างกายอันใหม่มันก็เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าทําบุญไว้มากก็เป็นเทวดาถ้าดาบาปไว้มากก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเพทตามปัจจัยพอมีโอกาสได้รับร่างกายมันก็มาเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นได้เป็นเดรชาน์ ตอนที่เรารอมันเช่นเราคิดไปเชียงใหม่เราไปเชียงใหม่ได้เลยเราคิดภูเก็ตเราไปภูเก็ตได้เลยตอนมันกระโดดกระเด้งเหมือนลูกบาสเนี่ยเรามีวิธีที่จะคน t r o l มันให้มันอยู่กับงานให้มันอยู่กับเราให้มันอย่า ก, กระโดดกระเด้งแมจ้จา์มีก็สติไงพุโทโธไงมันท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะเด้งไม่ได้ เราไม่คุมมันมันก็เด้งไปเด้งมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แกว่งไปอดีตไปอนาคตพอเราดึงให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้มันก็จะอยู่ปัจจุบันอยู่กับงานที่เราทำไอคอนตอนโกนั่งสมาธิใหม่ๆนับร้อยเก้าเม็รผิดประจำ ตั้งแต่มาฟังทมนับเก้าร้อยเมตร้อยเก้าเมตรกี่เมตรก็ไม่เคยผิดเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีสติมากมีสติใช่ไหมครับหมดคำถามครับปาละมังสุขขังใครอยากจะไปเรียนทำผมเนี่ยติดต่ออาจารย์โก้ได้นะอยู่อ่างศิลาแฟนเพจมีคนติดตามเท่รล้านยังเหรออนนี้เป็นไล แปแสงกว่าอปดแสนกว่าสดยังไงอาอาจารย์โกเหรออ่าโอแฮนเดก็ได้ะโกแฮนดเ่รื่องลิศนอ่าโก้อโฆษณานอยากจะให้เรียนทาผมเนี่ยไปให้อาจารย์โก้ทาผมให้ก็ติดต่อทางเฟบุ๊ได้สอนฟรีอยู่ในสอนฟรีด้วยอ่ เรื่งนิดเรื่องนิดแฮนด์เมดก็แฮนด์เมดมีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านก็ถามต่อนะอถ้าก็อยากจะถามว่ายกมือขึ้นได้ตอนไหนก็ได้นะตอนนี้ก็เอาทางบ้านก่อน คำถามจากคุณเกศรินค่ะน้อมกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะโยมขอโอกาสถามเรื่องการปฏิบัติคือโยมปฏิบัติ บ, ตบริกรรยุบหนอพองยุบหนอมาหลายปีเมื่อก่อนก็ได้ไปอยู่วัดแต่ช่วงสองปีนี้โยมต้องเลี้ยงหลานก็เอาบ้านเป็นวัดค่ะ แต่การปฏิบัติตามรูปแบบไม่สม่ำเสมอคือบางวันก็ได้แต่ช่วงเช้าบางวันก็ได้แต่ช่วงค่ำส่วนใหญ่จะไม่ขาดเลยกลางวันก็จะเป็นการใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งรู้สึกบ้างเผลอบ้างแต่เผลอมากกว่าเจ้าค่ะแต่รู้ตัวว่ากิเลสบางเบาลงพอสมควรเจ้าค่ะ mm hmm. แต่บางครั้งก็มีความโกรธขึ้นดับได้เร็วบ้างช้าบ้างตามสติกำลัง โยมขอกราบหลวงพ่อเมตตาชี้แนะให้โยมในการปฏิบัติให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อความพ้นทุก์เจ้าค่ะก็ต้องใช้สติเนี่แหละเป็นตัวลุยทางสตินั่นจะเป็นตัวเปิดทางให้ทําต่างๆเกิดตามขึ้นมาได้ยิ้นต้องหมั่นพยายามเจริญสติซึ่งเราสามารถเจริญได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย ถ้าเราใช้การดูปัจจุบันแล้วมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ก็ลองใช้คาบริกรรมดึงไว้พอลืมตาขึ้นมามันจะคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงเมื่อวานนี้ก็ลองใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่ไปมันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป ร่างกายอาบน้ําก็อาบน้ํำกับมันร่างกายแปรงฟันก็แปลงฟันกับมันแต่งตัวก็แต่งตัวกับมันกินอาหารก็กินอาหารกับมันถ้ามันจะไปจากปัจจุบันก็ต้องใช้คําบริกรรมดึงกลับมาพยายามเพียรเจริญสติให้มากแล้วต่อไปจิตก็จะนิ่งได้มากขึ้นแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้มากสงบได้นาน แล้วก็จะสามารถที่จ ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปได้ตามลำดับนะแต่ข้อสาคัญที่สุดในเบื้องต้นตอนนี้คือการจเจริญสติพยายามจเจริญสติในทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับคำถามต่อไปจากคุณอภิชาติค่ะเรามีความระลึกถึงความตายในบางครั้งหรือบางความคิดอยาก จะมีเหมือนคนอื่นเขาเช่นอยากมีร้านอาหารแบบเขาเห็นเขาขายดีมีเงินแบบเขาแต่ความรู้สึกถึงความตายก็เกิดขึ้นมาเองว่าจะไปมีแบบเขาทำไมอยู่แบบเราดีกว่าความนึกคิดเกิดขึ้นเดี๋ดยวเดียวอีกไม่นานเราก็จะตายไปไปดิ้นรนหาทำไมความรู้สึกแบบนี้เกิดถือว่าปกติไหมครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ใหมันเกิดบ่อยๆขึ้นให้มันเกิดทุกครั้งที่เกิดความอยาก พออยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วหรือสิ่งที่เราได้มาได้มาไม่นานเดี๋ยวมันก็มันก็หมดฉะนั้นก็ให้คิดเรื่องของอนิจจังไม่ว่ากับตัวเราเองหรือกับสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้ ต่อไปและความอยากก็จะน้อยลงเบาลงไปใจก็เย็ยนมากขึ้นสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปทําอะไรคําถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์ค่ะมีสาคําถามค่ะคําถามที่1นึ่งกราบยินถามพระอาจารย์ว่าการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุ อยากทราบว่าเป็นวิธีอันเดียวกับการเจริญเมตตาจิตไหมครับไม่หรอกเป็นการสวดการแผ่เมตตาต้องแผ่กับบุคคลกับเวลามีเหตุการณ์เวลาใครเขาดา่าเราเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยไม่จองเวรอยากจะดา่าด่าเต็มที่เลยเอาแผ่เมตตาือ <laughs> เวลาเจอกันก็ทักทายสบายดีเลยเวลาเห็นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไป อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาที่สวดกันนี้เป็นการเตือนใจเป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาถ้าเราไม่สวดเลยเดี๋ยวมันลืมไปจากใจเราได้นี่คือการการสอนการเตือนใจไม่ได้เป็นการแผ่จะแผ่ต้องเวลาที่เรามีคนรับการแผ่ของเราคาถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์ค่ะ การฟังธรรมไม่ว่าจะถ่ายทอดสดหรือฟังจากเทปซีดีก็ตามถ้าฟังธรรมด้วยทํางานไปด้วยจะเป็นการไม่เคารพธรรมหรือไม่เคารพผู้แสดงธรรมไหมครับคือที่ไม่เคารพก็เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ฟังแบบนี้มันทําให้ใจแบ่งเป็นสอง มันทํางานสองอย่างพร้อมๆกันมันจะเดี๋ยวก็จับปลาสองมือเดี๋ยวก็หลุดไปทั้งสองตัวพอมันจับมือเดียวมันจับไม่แม่นไ ม, ไม่ไม่แน่นเหมือนกับจับสองมืองั้นทําอะไรให้ทําอย่างเดียวมันจะได้เต็มร้อยถ้าฟังทำกับทํางานไปก็ได้ห้าสิบห้าสิบ เพะฉะถ้าทำแบบนี้ถ้าถ้าต้องมาฟังกับคนที่เขาแสดงทำเขาก็ไม่อยากจะแสดงเพราะแสดงก็เสียเวลาเพราะคนฟังจะไม่ได้รับประโยชน์เฉะนั้น mm hmm. ก็เลยถือว่าเป็นการไม่เคารพธรรมถ้าเราจะเคารพธรรมเราต้องฟังอย่างเดียว mm hmm. แต่ก็ไม่ห้ามนะเพราะไม่มีใครมาคอยเฝ้าเราดูเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอันนี้เป็นเรื่องของเราเพียงแต่ พูดให้เห็นถึงผลที่จะได้รับว่ามันต่างกันอย่างไรถ้านั่งเฉยๆแล้วฟังอย่างเดียวนี่มันจะได้เต็มร้อยเลยแต่ท่านฟังไปทำอย่างอื่นไปด้วยมันก็จะได้ครึ่งๆเวลาใจเราไม่ได้อยู่กับการฟังทำอยู่กับการทำงานมันก็ไม่รู้แล้วว่ากำลังฟังอะไรอยู่พอกลับมาฟังอทีมันขาดตอนไปแล้วมันไม่ต่อเนื่อง เหมือนดูหนังอดูหนังครึ่งหนึ่งแล้วออกไปทำงานครึ่งหนึ่งแล้วออกดูหนังห้านาทีแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำห้านาทีกลับมาดูหนังต่ออีก5้านาทีแล้วก็ไปซื้อเครื่องดืม่มอีกห้านาทีนี่มันก็ดูหนังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะมันไม่ต่อเนื่องคำถามต่อจากคุณไพบูลค่ะขอขอให้พระอาจารย์กรุณาบอกวิธีการเจริญอ น, นิจจสัญญาได้ไหมครับ ก็มองว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับไม่มีอะไรอยู่เฉยๆเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเท่านั้นเลยอาจจะทําให้ว่ามันมันอยู่เฉยๆเช่นก้อนหินเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันหมื่นปีแสนปีมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ความจริงถ้าล้านปีมันอาจจะแตกหักไปก็ได้หรือแสนล้านปีบางของบางอย่างมันต้องใช้เวลามากมันถึงจะเปลี่ยนแต่ของทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะเพียงแต่เปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็ว เหมือนกับการเดินนี่ของสัตว์แต่ละชนิดมันก็เดินช้าเดินเร็วต่างกันเห็นไหมถ้าเป็นพวกงูนี่ปุ๊บนี่งมันก็ไปแล้วถ้าเป็นพวกตัวอ่าตัวสิบขานี่มันก็ไปช้าหน่อยตัวไส้เดือนมันก็ยิ่งไปช้าหน่อยแต่มันก็เคลื่อนไปได้เรื่อยทุกอย่างเวลาก็เหมือนกันเวลาถ้าเรามองเป็นวินาทีมันก็เร็ว พอมองเป็ น, นวินาทีเป็นนาทีมันก็ช้าลงอ่ะพอเป็นมองชั่วโมงก็ยิ่งช้าลงใหญ่ถ้ามองเป็นวันนันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินดังนั้นทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปสู่จุดจบมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญก็มีเสื่อมได้มีมาก็มีไปนี่คืออนิจจา คำถามต่อไปจากคุณเกาหลีคะ่ะปฏิบัติขณะร่างกายเจ็บป่วยความปวดในกายมากจนจับลงไม่ได้จะทำอย่างไรให้ใจทนในสภาวะนี้ให้ปฏิบัติต่อไปได้บ้างคะก็ถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองพุโทโธไปพุโทโธไปสวดมนต์ไปถ้าไม่มีแรงสวดไม่มีแรงบริกรรมก็ถ้ามีธรรมะก็ฟังธรรมะไป คำถามต่อไปจากคุณจารุเพาะจุราภร์ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอความกระจาญเรื่องอัติธาตุของพระอริยสงฆ์ด้วยได้ไหมเจ้าคะคือพระอริยสงฆ์ที่ธาตุเกิกระดูกนี้จะกลายเป็นธาตุได้นี้ต้องเป็นของพระอาหารหันต์พระโสดาพระสกิรดาคามีพระนาคามีนี้ใจยังไม่สะอาดร้อเปอร์เซการจะฟอกธาตุ คือกระดูดให้เป็นท่าได้นี้ต้องฟอกด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือพระอาหารหันต์นี้การฟอกฟอกท่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับการซักเสื้อผ้าถาเเสื้อผ้าไปจุ่มน้ําปบยกขึ้นมานี้มันก็อาจจะไม่สะอาดพระอาหารหันต์ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วตายไปทันทีนี้ก็จะไม่มีเวลาเอาใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้มาฟอกทา่า ฟอกกระดูกให้เป็นธาตุได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระอราหันต์แต่ผู้ที่เป็นพระอราหันต์แล้วอยู่ไปหลายปีกว่าจะตายนี้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่อยู่กับร่างกายมันก็จะฟอกร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนกับเอาผ้าไปแช่อยู่ในน้ํากับผงซักฟอกถ้ายิ่งแช่ได้นานเท่าไหร่ผงซักฟอกกับน้ํามันก็มีเวลาที่จะฟอกเอาเสื้อผ้าให้สะอาดได้มากขึ้นไปตามลําดับะ อันนี้คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันต์ก็ดีไม่เหมือนคนธรรมดาหรือพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆกระดูกเมื่อตายไปแล้วก็จะผุเปื่อยกลายเป็นดินไปแต่ของพระอาหารหันต์กับของพระพุทธเจ้าถ้ามีเวลาฟอกก็บางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนนะไม่ใช่กระดูกทุกชิ้นจะกลายเป็นธาตุไปหมดนก็มีเป็นเป็น เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดอยู่กับส่วนไหนส่วนหนึ่งส่วนใดเท้านั้นเองกลายเป็นธาตุไปไม่ได้เป็นกระดูกธาตุก็คือเป็นเหมือนก้อนหินน่นแหละที่เราเห็นเป็นพวกดูแล้วเหมือนกับเป็นพวกนินจินดาอะไรต่างๆคาถามจากคุณคุณครูคป่าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับในขณะนั่งสมาธิมักมีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมารบกวนกระผมควรทาอย่างไรครับ ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการบริกรรมถ้าเราใช้คำบริกรรมถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปอย่าไปสนใจคิดว่าเป็นเหมือนตอนที่เรากำลังปรับคลื่นวิทยุมันยังปรับไม่ได้ตรงคลื่นมันก็ยังมีคลื่นอื่นแทรกเข้ามาเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆ ปรับขึ้นใจของเราเดี๋ยวพอมันตรงกับความสงบปั๊บขึ้นต่างๆมันก็จะเสียงต่างๆความคิดต่างๆมันก็จะหายไปหมดแต่ช่วงตอนที่เราเริ่มเริ่มนั่งนิมเรายังไม่ได้ปรับให้เข้าสู่ความสงบมันก็จะมีเสียงมีความคิดมีอะไรแทรกเข้ามาได้เราก็อย่าไปสนใจเราก็ปรับของเราไปดูลมไปพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอเราปรับเข้าถึงศูนย์ถึงจุดที่มันสงบปั๊บ เสียงต่างๆอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างหมดแล้วแหละค่ะคำถามจากคุณประโมทค่ะกลับนมสการหลวงพ่อครับเวลาปกติผมมักระลึกถึงความพราดพลากจากกันของคนในครอบครัวและคนที่รู้จักทั้งที่รู้ว่ามันห้าไม่ได้เราควรตั้งจิตอย่างไรครับให้มันรู้สึกไม่เศร้าหมองครับคือถ้าเรายังเศร้าหมองอยู่เราก็ต้องฝึกจิตให้สงบก่อน ฝึกจิตให้มีอุเบกขาก่อนฝึกสติไปเวลาจะคิดก็หยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันทำจิตให้สงบให้ว่างให้เย็นให้สบายเป็นอุเบกขาก่อนเพราะจิตเป็นอุเบกขาแล้วนี้จะคิดดีคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็จะเฉยเฉยคิดเรื่องเงินทองว่าได้เงินมาเป็นแสนเป็นล้านก็จะไม่ดีใจคิดถึงการสูญเสียสิ่งที่เราลักไปก็จะไม่เสียใจ เั้นตอนก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เราต้องมีอุเบกขาก่อนมีสมาธิก่อนจะมีอุเบกขามีสมาธิได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปคำถามจากคุณพคคักค่ะหากเรามีวัตถุประสงค์ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิจการการค้าของเราดีขึ้นหรือช่วยให้พบทางออก จากปัญหาแบบนี้ผิดมากไหมครับก็เหมือนกับปลูกข้าวแล้วต้องอยากจะได้กล้วยไงปลูกข้าวมันก็ได้ข้าวปลูกกล้วยมันอยากได้กล้วยก็ต้องไปปลูกกล้วยอยากจะให้การค้ากิจการเจริญก็ต้องไปศึกษาที่สถาบันที่เขาสอนวิธีทำธุรกิจให้รุ่งเรืองถ้ามาทางพุทธศาสนานี่สอนให้เจ๊งอย่างเดียวอ้าวสอนให้ล้มให้เลิกกิจการไง คนที่มาทางศาสนาพุทธเดี๋ยวก็ต้องทิ้งกิจการหมดไปบวชกันเน้นถ้าอยากจะให้ร่ำรวยอยากให้กิจการจเจริญต้องไปนู่นสถาบันเศรษฐกิจต่างๆไป London School of Economics แล้วเขาจะสอนวิธีทำให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองไปฮาวาดไปอะไรนั่นถ้าจะมาพุทธศาสนานี้สอนให้เจ๊งสอนให้ทาบุญมีเท่าไหร่แจกให้หมด คำถามจากคุณสถาพรค่ะกลับนมัส ก, การครับการเจริญสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดจิตไม่ตั้งมั่นจะแก้ไขอย่างไรครับก็ให้ดูเฉยๆไม่ได้ให้ไปแก้ไขตรงไห น, นจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นเพราะมันยังไม่ได้ดูอย่างต่อเนื่องคือดูเฉยๆว่าร่างกายกำลังเปลี่ย น, นริรยาบทกาลังทาอะไรไม่ต้องไปวิาพากวิจารให้ดูเฉยๆให้หยุดความคิดต่างๆ แล้วจิตก็จะตั้งมั่นได้ถ้าดูไปแล้ววิภาควิจารไปเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเครียดขึ้นมาได้นี่ไม่ใช่วิธีเจริญสติวิธีเจริญสติคือให้เฝ้าดูไม่ให้คิดตามสิ่งที่เราเฝ้าดูให้ดูว่ามันกำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากาลังยกแขนยกมืออะไรให้ดูไปทางนั้นเองเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่าง ถ้าใช้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธก่อนต้องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ให้มันคิดอะไรเออแล้วจิตก็จะตั้งมั่นได้คำถามค่ะขอวิธีการเจริญเมตตาเจ้าค่ะและถ้าเราเจอผีแล้วควรจะแผ่เมตตาอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อถ้าเจอผีก็ทักทายเขาถ้าอยากจะแผ่เมตตา <laughs> ก็เหมือนเจอคนอ่ะคนกับผีก็คนเดียวกันนั่นแหละก่อนที่จะไปเป็นผีก็ต้องเป็นคนก่อนไม่ใช่หรอพวกเราต่อไปก็ต้องเป็นผีอย่านั้นไม่ใช่หรอพวกเราตอนนี้เป็นผีมีผีผีมีลมหายใจคนตายก็เป็นผีที่ไม่มีลมหายใจทท้งนั้นเองไม่ไม่ต่างกันตรงไหนหรอกถ้าเจอผีก็ทักทายก็สิพี่สบายดียคุณต้องการอะไรน้ำชาไหมกาแฟไหม <c oughs> อ่าก็นี่คือการแผ่เมตตาเหมือนเวลาเราเจอคนเจอมางคนล้วก็ทักถ่ายสบายดีเลยอ่อถ้ามาบ้านเยี่ยมเนาะก็เอากาแฟาไหมอ่าหิวข้าวไหมต้องการอะไรก็ให้เขาไปจัดให้เขาไปนี่คือการแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดผีมันไม่เข้าใจภาษาเราสวดอะไรยิ่งเวลาตอนกลัวนี่มันสวดไม่รู้เร ยังต้องใช้ภาษาเรานี่แหละคุยกับเขาภาษาใจาเขาจะได้ยินความคิดของเราเราเราไม่ต้องออกเสียงก็ได้คิดไปในใจสบายดีเลวมาจากที่ไหนเมื่อก่อนเป็นอะไรมีนะมีแม่ชีบางคนนี่เวลานั่งสมาธิได้จะมีผีเข้ามาหาจะมาเล่าถึงความทุกข์ยากเดือดร้อน แต่ผีที่มาในภาพมันไม่ได้เป็นผีที่น่ากลัวก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละเพียงแต่มาเล่าว่าเคยเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นอะไรแล้วตายไปเพราะถูกเขาฆ่าแล้วก็มาขอความเมตตาช่วยสงเคราะห์ว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาเอาเอาเนื้อของเขามาถวายแม่ชีขอใ้แม่ชีรับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจะได้บุญจากการที่เขาบริจากร่างกายของเขา งั้นผีไม่น่ากลัวแล้วผีนี่น่ากลัวคือผีที่เราคิดกันขึ้นมาเองยังไม่ทันเห็นผีเลยคิดไปเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วะให้มันเห็นจริงๆก่อนเถอะชัดๆก่อนว่ามันเป็นผีแบบไหนอันนี้เพียงแต่นึกคิดไปเป็นผีนึกคิดผีจริงไม่ไม่ดอกผีหลอกผีไม่จริงหลอกเข้าใจไหมผีไม่จริงก็คือผีที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยอาไม่เชื่อเย็นนี้ให้ยมมาอยู่ตรงนี้สักคนหนึ่งเลย เดี๋ยวเนี่ยเสียงนี่มันร้องก็คิดว่าเป็นผีเลยเสียงใบไม้หล่นมาก็ทบกัดล้างคาหน่อยก็ผีมาแล้วผีมาแล้วมันหลอกเราเราไปปุุงแต่งขึ้นมาเองเราอยู่วันนี้ไม่รู้กี่ปีไม่เคยเจอผีทักตัวแต่คนบางคนมาอยู่ได้คืนสองคืนก็กลับแล้วไม่เอานะคำถามจากคุณศิราค่ะการบริจาคทานแทนการทาบุญที่วัดเพื่ออุทิศกุศลแต่ผู้วายชนจะสำฤทธิ์ผลถึงผู้รับ ไหมคะถึงถ้าเราได้ความสุขใจจากการกระทำเพราะสิ่งที่เราจะอุทิศให้ก็คือความสุขใจนันความปพิ้มปิติความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือเช่นไปถ่ายชีวิตของวัวควายนี่แล้วเห็นเขาได้มีอิสรภาพได้อยู่ต่อไปมันจะทาให้เขาเรารู้สึกมีความสุขมากเรวก็สามารถแบ่งความสุขความอิ่มใจนี้ให้กับผู้รองรับไปแล้วได้ คำถามจากคุณพ์ค่ะกระเรียนถามว่าจะเจริญปัญญาขั้นต้นได้เมื่อไหรครับอ๋อเจริญได้ทั้งทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิทุกเวลาที่เราไม่เจริญสติถ้าเราจเจริญสติก็จเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่เราก็จเจริญปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการจเจริญปัญญาเราก็หยุดพุโทโธก็ได้แต่การจเจริญปัญญาถ้าจิตเราไม่มีอุเบกขาก็จะเจริญไม่ได้เหมือนกันคะ พอเหมือนคําถามที่เมื่อกี้ถามว่าพอคิดถึงความตายขึ้นมาก็เกิดความเศร้าขึ้นมาก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ต้องทําใจให้มีสติให้เป็นอุเบกขาก่อนพอเป็นอุเบกขาแล้วถึงมาเจริญปัญญาได้ทุกระดับแต่ถามว่าเจริญปัญญาตอนไหนก็ได้ทุกตอนะถ้าตอนที่ใช้ความคิดนี่ก็เจริญปัญญาได้แต่มันจะมีกําลังดึงมันไปทางปัญญาหรือไม่ แล้วเวลาไปทางปัญญาแล้วมันจะเศร้าหรือไม่มันมีหลายอุปสรรคด้วยกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติไม่มีอุเบกขามันจะเจริญปัญญายากเอาคำถามสุดท้ายแล้วนะค่ะจากคุณเค o อบค่ะการทำบางสกุลเราทำแทนให้กับผู้อื่นได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเป็นเงินของผู้อื่น แล้วก็ทำแทนเขาได้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราทำแทนโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินของเราเขาไม่ได้อะไรเลยการทำบุญนี้ต้องเป็นเงินของตนเองของผู้ที่ทำหรือให้คนอื่นไปทำให้ก็ได้แต่ต้องเป็นเงินเป็นของของของตนเองและเป็นความคิดของตนเองไม่ถ้าถ้าเป็นของคนอื่นเช่นพ่อแม่ให้เงินลูกเราบอกลูกเอาไปทาบุญนี่ลูกไม่ได้บุญ แม่ได้บุญเพราะเป็นเงินของแม่เป็นความคิดของแม่ลูกอาจจะได้รู้จักวิธีทำบุญตอนต้นอาจจะต้องสอนลูกก่อนก็เลยแต่ลูกยังไม่ได้บุญได้บุญก็บุญแบบอีกชนิดหนึ่งคือการรับรับใช้พ่ อ, พอแม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ไม่ได้เป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละ แต่ต่อไปพอเขาโตขึ้นพอเขาเคยทำบุญแล้วเขาก็จะรู้วิธีทาบุญถ้าเขาอยากจะทำบุญเขาก็เลยทำได้เลยถ้าไม่สอนเขาก่อนนบองทีโตขึ้นเขาไม่รู้จักวิธีทำบุญเขาก็อาจจะไม่ทำะนะแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ